พระบัญญัติ253ก็ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่เก็บสะสมไว้ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระเว ร, รถฐศีสะจบ